รัฐธรรมเตสนาจาดกปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแปะคำภูกติสิ้าต้นฉบับเดิมจากเมืองเจียงตุงเรียบเรียงใหม่โดยปออินสมชัยชุมพูปริณธรรมภคปริ ย, นรยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไม ตัสาภากวโตอะระหโตสมะสัมพุทธะอาทาโคสมาหิติราชาเนาปติโนวาจานังสุตวาโสมานัตสัมปโตอะโหสิติ สาทาวโดราสาปุริตาตั้งลายตั้งยิงใจหนุ่มเท่ามีสัตธาเก่าเป็นพาทานต่างละการมวนโมอันมีอยู่เหือนตนตัดกังวลเป็นเตือนย้อนไฟเอือกองบุญอันจักนุนสงยย เออไดโย ส, ดสดัสสีสร้างปารมีตัวเก่าเือมักเต้าทมนาอันจักป่าไปรอดเพียงแกวหยอดเนราปานปนสงสารโลกตเสียงตกน้อยใหญ่นาหน้าจริงปากันมาพร้อมนานั่งอยู่ท่าฟังธรรม จุงดาจำติตต่อตามบาทคอบาลีวาทโคโสมาหิธิราชาดังนี้เป็นตน้นอาธาในกาลนันใสาตาอนยดใหญ่มหิติราชาฟังกำจาบอกเล่าแห่งคุณกเก้าเซนาบดี ปีติมีบน่นนอใจจืนจ่อยจมบ้านจริงมีราชอางการเกา่าอูนเสนาบดีหูความในทัดนั้นไปบ่าจ้าตนเจ้าฟ้าผาปารากอคือคุณต่างตาแกวันใจเอาค้อนให้กองใจ เรียกเสนาในน้อยใหญ่หือมาพร้อมไข่สับปันเสียงกองนั้นมีกองพับไข่ห้องเวียงใจเสนาในนมเทาหูเงินเก้าสัญญาป่ากันมาละลาดบ่อขาดเป็นสาสตั้งให่ใหญ่อีกแน่น เต็มปืนแทนสานามพ้องก็อทมเจ้าหมูว่าจากไปผาพสู่เมืองใดหรือสักเมืองไกลใจยับมาขานาบเมืองเราหรือจากไปจริงเอาภาษาแห่งเต้าที่ราชปันธุมตินกร ือเสือดงโดนตัวกามากลับกว่าไปกินพระภูมินยดใหญ่บ่อเกิดไขโยธาว่าจักเครื่องกาไม่มารหรือกอยกาดบำวายเต่าคันิงหมยใครได้โลภะใหญ่กุมใจนำรีปนไปปีก่อนดังเอาจินไปตอนปันเสือ รีปนเหลือบ่อมากพอแล้วหากบางตาบอได้เศร้าซ า, ายังจอต่างหิวหอดรวยแรงเบนใจแข็งบ่อพนตัวหากอ่อนนาดำบออาจกำรรหอกดาบเขารบผาพลาจนจรจิงถอยห้นปิกปอกวายน่าออกขึ้นมา จุมอยอทธาใหญ่น้อยต่างไข่ต่อถอยลายพาการกันรีปนหามนมวลหมู่มาพอมอยู่บัวระมวลกาละกวนมารอดต้าเจ้าอยอดจำปาก็่อนนำอยอท้าหลายหลากออกไปจากเวียงใจรีปนไหลจะจืดฝุ่นฟุ้งมืดบางวัน เสียงกองนั้นมีกองสะนันห้องดินดานบ่ป้อนานก็รอถึงที่จอดเฮือหลวงเฮือปันปวงลอยแหลนับอ่านแต่ปอปัน จัดแบ่งกันเป็นทอยลำละสองร้อยเป็นไม้จริงหือไดน้น้ำหมูลงไปสู่นาวาสังรมมาโยธาลายลากสองแสนหากเป็นไม้กันรีปนลายน้อยใหญ่ลงเหือพร้อมไข่ดีงามกันถึงยามใจโจกกาละโยกตึงตันเจ้าหอ่อจันยศใหญ่ ก็นำไภ่ไตปันปวงคือเฮือลายหลวงลอยลลองไปตามต้องวังใส่ตัวกันไปเป็นเส้นน้ำแตกเต็นเป็นสายปาลาหลวงลายพร้อมผ่ำเต้นขึ้นนำสะสนผ่องเต้นตกบนเหือใหญ่ลวดเข้าใส่โยธา จุนลาวา ย, ายาติไปละลาจอมกันได้สิบวันบ่เสร็จจิงไปรอดเขตปันธุมตินคกรแห่งพระผู้ทนุมเนาวดอรพระเจ้าบนดายามตาวันดาคำลาลงลับป่าดงดานเต้าผู้บ้านมาิตธิราช ผู้หาหาตารนก็อเฮือริปนมวนหมูยังจอดอยู่ในเฮือกมีหันแลยนาสเปจนาอันว่าเจ้าเวียงใจหนุ่มเท่าหูเงินเก้าขีนาว่าสักมีมาอยู่ไก่ต่างกังไกเรรน กลุละหุน ย, กยากเย้าเกิดไข่าดาวทาดีตีนันเสนาบดียศใหญ่จริงดีไปไวทุนสาใขรชี้าบอกเล่าแกน่นอพระเจ้าตามมีนอมูนีตนองอาจจริงมีราชเจ้าองค์การ ว่าดูราคุณหานเฮยยดใหญ่อันเราใส่ไว้ต่างตาตั้นจุงปิจจารดาสั้นส่องหายังจองอุบายเปื่อกเฮือสกาลต่างไข่ใดยกใหญ่ถอยหนีเฮือเจ้าปุรีไผ่ไตหายเอาไม่เครื่องกา กันพิจร า, าจรณาแจ้งที่บอมิติสงสัยจุงจักไข่เก่าหื้อเฮาหูตามมีเสนาบดีผู้เทาก่อกมเก่าทุนสาวาคาจักยกโยธามวลมากออกไปจากเวียงใจยามตาวันใสผูกเจ้า ก่อนกินข้ายาบง่ายเปื่อบ่อเหือสกลาลถอยไรเข้ามาไกลราชจจปุรีนอมูนีหนุ่มเนาคานดิงเหล้าหันตัน <c oughs> ก่อเรียปันป่องขาดเือเรียกอามาตโยธามวนหมูมาพร้อมอยู่บัดเดียวก็มีหันเลยนะ กันกาละกวลมาควายขุนยศใหญ่แต้นตนก็นน้ำรีปน์มวลมากออกไปจากปาราญามตาวันดาจักรุงรัตสมีปุ่งเรื่องไรส่วนเจ้าหอใจมาหิตที่ราจเจ้าภาษาดจำปาก็คิดตานาก่อนานะ ว่าจากยกพวกการีปนเขา้าพระจนพาม้างยังเมืองกวางธานีในยามดีรุ่งเจ้าก่อนกินขา้าวยามเงยจริงฮือรีปนาหลวนมากขึ้นมาจากนาวายามนั่นสุรเสนาขุนเทาแห่งนอพระเจ้าทรงยาน นำรีป้นหาดน้อยใหญ่ไปรอดไกลกองตาบอตันจากก้าูต่างเข้าภาพสูแตงฟันบ่ออัดตันได้ใจยังเอามอกใหญ่ปืนไฟถือแต่อหอกคมใสกับดาบเขารบภาพฟันแตงต่างายแข่งบ่อญานบ่อสะตันไปได้ต่างเดียวไวฟันฝาด พ่องแขนขาดพุทธหายพ่องก่อตายลายแหลมีจูงแงกองตาหบกันมาแต่เจ้าทะรา ต, ต่อเต้าย่ำตอนยาำนันเต้าผู้ทนมาฮิตที่ราดผัวห้าวหาดปลาละก่อพดมาต่อหน้าแห่งคุณอาตกาเซนาบดี หลวดเขาราวีฟันฝ่าต่างองอาจใจห่านต่างจานานจบไห่ต่างลบหลีกได้เร็วปันต่างแต่งฟันบอกเขารบลหลแบบเบาเจึงลายรบเืิ่นลหลแต่ใสคุณยศใหญ่เสนาบดีกำลังมีตกผ่อนก่ออิดอ่อนรวยแรง รบบ่แข่งหิวหอดหายใจตอดสู่สาเต้าจำปาหูรอเต้นเขากอดซับปันสองมือพันกำได้ยังแข่งคุณใหญ่เร็วไวยกขึ้นไปบอดจ้าฟาดลงสูนะ่นาปทาวีทวนสามตีลืมเล่าคุณแก่เท่าต่างตา ลวดมารานาะกาภาคีวิตจากเจตตนจุมริพ น, นุ่มเท่าแห่งหนอพระเจ้าบุญมีหันเสนาบดีอาจกาได้ความนามารานาะต่างเววาไววันใจบ่มันเร่ร้นลวดถอยหน่นตั้งมูเล่นเข้าสู่เวียงใจ ยามตาวันใสดาติเตียงจักใจเบียงลงแรงก็มีฮันไลยนาเมื่อนั้นล่อโพธิญาณนมเนาอันเป็นเก้าปุรีหัวเซนาบอดีอาจกาไดความนามารณา จุมโยธามวดหมู่แล่นเข้าสู่เวียงใจสักแดนไก่ถอยไรแวดเมืองไหวจูไปไพ่ใต้ลายเยาวเหนือกใจความเขือเกรรุนโกลาหลอันใหญ่เกิดขึ้นไข่ปาราตุกเครื่องกาบ่อน้อยเกิดจองห้อยโหระไทย จิงคานิ่งในกึดเหล่าถึงปีจาดเก่าเดิมมาว่าบัตินีนาข้าน้องตุกโสกต้องนำนำย้อนเต้าอารรมมหิตธิราชผู้หาวหาดปาลายกโยธากษยาบมารบพาประวิเศนาบอดียดใหญ่อันขามใจต่างตา ตังโยธ า, าใหญ่น้อยก็ อ, อกาดก้อเห็นเดือดลายขอปีบุญภายอย่าจจะมาจ่วยค่าสับปันสามจอมวันผู้ปีหูแจ้งที่อาการกป่าป ร, ปริวานลายลากออกมาจากแดนตนด้วยเรร้นรีพาวถึงด่านดาวปันธุมติราชธานี เพื of of world, ่อช่วยเจ้าบ the ุญมีน้องลาภาพสกกาปาลาก็มีหันแลยนาตามัดทังปากาเซนโตศรัทธาศรัทธาสัพปัญญูยอดอยหันบาทอยบาลี บทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสานาวเตปุรานภาตาโรเวเกนากันตว่าดังนี้เป็นต้นเหตเวดุราภิกขุทรงตนทารุงสินใสสะอาดเป็นเชือจตดอริยาสาวกาส่วนภาตาพีเจ้าแต่จาดเก่าเดิมออน คือเสือดงโดนตัวใหญ่ภาพเสียงไข่ดงดานกอปาปริวานหลายแหลออกมาแต่ดงตันด้วยเร็วปันไว้ว่องกันมารอดห้องปุรีแห่งพระภูมิหนุ่มเ น, าน่านอพระเจ้าทางยานกอปาปริวานทวนนาเขากับก่าพะจน ยังรีปนใหญ่หน้อยแห่งเตา้าจะถอยมหิทธิราชาทัดนั่นพญาแห่งนาปิตที่มาเจียงขานก็นำปาริวานน้อยใหญ่มาผอมไขสัพันมีอ น, นั้นหลายแลพอเต็มแม่กงกา พ่องขึ้นบกมาละลาดบอกหูขาดเป็นสายมีหลวงลายใหญ่น้อยพ่องคอเป็นซอยลายคำตังงูปิดยำเถื่อนทรมีพรมผ่ำดานาปากันมาพรมไข่ตั้งน้อยใหญ่หลายพันตั้งข้าวันเกี่ยวกอดแล้วคบตอดโยธา แห่งพญาบาหิต ท, ที่ราดผู้หาวหาดใจไฟทัดนั้นไปปีไทยอันเป็นพญาหุ่งใหญ่ดงรีถารงฤทธิที่เอกอ้างตัวใหญ่เต่าจางปลายซานกอปาฟริวานลายหลากบินมาจากดงไพมาเร็วไววาวาด ด้วยอากาศเวหาตัวกันมาเป็นตาเต็มต้องฝ้าไปบนหุงไรสนน้อยใหญ่มีพร้อมไขเหลือลาย <c oughs> พ่องตัวเต่าควายสามเข้าพ่องตัวใหญ่เต่ากว้างละองพ่องเต้ามาด้งจิ้งจอกพ่องตัวเต้า ว, ว, วอกดงนาสตดลงมาบ่จ้า ย่ำย่ำผวกาหยดท้าแห่งเต้าจำปายดเงาผู้หาเท้าตารุนโก้ละหนอันใหญ่เกิดขึ้นไข่อาณาก็มีหันแหลนาสัเปเต้ปาลาดิการยาอันวารีปน้อยใหญ่แห่งเต้าไทยจำปาต่างคือพลักับดาบ เขารบพาแต่งฟันกับเสือดงตันลายหลากตั้งหมูนาคานำงูปิดย่ำลายแหล่หุ้งให้แผ่สะสนพ่องงูวันตนชจกตอดลวดมวยหมอดบำวาย้่องเสือไลยกัคก้าวลวดความนาเมื่อมนผ่องหุ้งดงดอนตัวใหญ่สูดหย่อมได้เร็วไว พิ้นขึ้นไปอากาศแล้วสวัาดลงมาถึงป่าสุธาตใตาอยู่บ่อใดเลยตายรีปนลหลเนยาวเยือกใจความเคือเรริรน <c oughs> พ่องถอยห่นหลังลูงล่หมายไปอยู่ในเหือซ้ำมีเสือและหนากงูลายลากเกิดขวางบ่มีตังเตี้ยวไตซ้ำน้ำใหญ่ตีฟอง ทั่วทางน้องละลังดังจากล้นฟังกงกาเฮือนำนาเล่มใหญ่ตั้งจอดไวใ้ใยายพ่องจมหายกว่าจอยพ่องแตกย้อยเพทาพ่องนำปลาลอยหลงไปตกต้องแดนไก่พ่อลงไปในน้ำเงือกหนักซ้ำมีลาย จักเขยิ้ยหลแแลเต็มจูงแงวังทานรีปนหันมวนหมูอันข้างอยู่รอตายตังสันระสายเสียงควยกลัวจักใดเมื่อม้อนเมื่อนันเต้าผู้ทรมหิตทีิราชโคตรข้านาดปั่นไฟเต้นขึ้นไปบ่าจา้า สูต้องฝ่าไปบนเข้าผ้าจนต่อตากับหุ่งอากาศดงไพอสันลีกันใจวัดวัดกลางอากาศเวหาหุงดงนาน้อยใหญ่สูตรมาไก่สาสนซับยอมซับยอมตนตันเต้าแวดจุดาวจุปไป โอ้พี่ห้ายบ่จ้าแควงดาบกาสับฟันหุ่งดงตันน้อยใหญ่อันมาแวดไกลกองตาพ่องกาเจ็บบาดพ่องปีขาดหัวหายตกเป็นสายสะศาสจากอากาศลงมา ตาจำปาที่ราชแม่นฤตที่อาจเหลือคนหบหุ่งไพรสนบ่ผ่อนลวดอิฐอ่อนนำนาแม่นมีกาถาคงคมหุ่งตีนยามลายหนตามตัวตนจูจำไข่เสียงซ้ำอินทีเจ้าปุรีใจถอยอิฐอ่อนม้อยเหลือลาย ดาบคมพายลวดผากลูดเสียจากมือตนหุ่งไพรสนตัวใหญ่ย่มคอใดสะพันบินพัดผันวัดวาดบนอากาศเวหา เจ้าปะาระยาบจ้าลวดความนาเมื่อมอนหุ่งดงดอนรีพาวนำไปสู่ดาวดงดานกินเป็นอาหารเลี้ยงไสมดเสียงไข่บัดเดียวก็มีหันแล้นะ สวนรีปนลนลายใหญ่น้อยกอกกาดก้อยนาดำย้อนเสือดงดำกับกว่างูปิดกาคบตนหุ่งไพรสนตื่นหาดดารดาดกองกันมีอาหนันลายหลากหล่อข้างหากบางตาหูวพาาญาเจ้าจ้างใดมวยมั่งให้คนเข้าต่างคนเล่นกว่า เอสื่อนาเป็นไมยอิฐเลือลายบ่อจ่อต่อเต่ารอดแดนไก่กันสักจังไรตั้งเตะบ่อหล่อเศษหายซอยสื่อดองด้วยลายหลากตั้งหมูนาคหนำงูปิดย่ำน้อยใหญ่หุ่งเป่าไม่ดงตันก่อปะกันขึ้นสู่ยังตีอยู่ให้มันก็มีหันเลนะ นากระวาสีโนส่วนเจ้าเวียงใจจูผู้ใดพำมหูขีญาต่างสมมานัจนเญยา้าหอร้องสาโอเนืองนั้นต่างปากันตันต่อโยคุณเจ้านอมุนีว่าเจ้าปุรีหนุ่มเนาอันเป็นปิ่นเก่าเรารา มีบุญนามากว้างไพยบ่ออ้างเตียมตันสักอาทันต่างนามาต่อตาพระจนสัตว์ไพรสนป่าไม้ือเสือน้อยใหญ่เล่นลายหุ้งหลวงลายมวลมากตั้งหมูหนากนากี้งูปิดมีลายซ้ำ ม, มาจวยกำสมพานเฮสักหานอาจกาได้ความด่าเหลือลาย ผู้เหลือตายสาตานลวดป่ายก้านพระนีคือเจ้าปุรีไผยไตหายมนไม่เครื่องกาขอพาญาเป็นเจ้าอยู่เตียงเต้าเมื่อนานอือโยทาหารอาบาตั้งดังนาดคนในเจ้าเวียงใจตัวดาวได้สุกยอนเต้าบุญมีแดเตอ เจ้าปุริจูภูบอกว่าอยู่เด่นใดต่างมีใจจื่นจ้อยย่อคุณหล่อพระยอดซอยนานาก็มีหันแลลนาปุถิสัตตปาณาส่วนนอปุทียานนุ่มเนาได้เป็นเจ้าภาปุริ ขับเตวีหยอดซอยคือนางนัดน้อยวิมาลาบ่อา萨พระมาตบ่อเวนขาดตสระจะทําจักจูงน้าไผ่ไตฮือตววไตตามรยโจนนิหายเสียงขาดปุ๋งอุบาตหายห่นจุ่มรีปนหาเท้าบอกว่าอยู่ดาวแดนใด บ่มีไผ่อาจกามาต่อตาราวีเจ้าปุรีไผ่ไตสุขบ้านไขยิงใจหนอพระบุญไผยยศตใหญ่เป็นเต้าไทยเซเวศีสำรันดีเตียงเต้าได้ร้อยเอขวบเข้าวัดจากเกามรณากาภาค ไอ้ละจากเมืองคนใดเอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิดตูสีดากันหนอพุท ธ, ธาบุญกว้างใดมวยมางปันจ้าขันอันว่าหอจันาาทร์ภาสาดวันละอาเตรีองไรกับข้าแปะ๊ะคำใสผาเสดมีกุลเลิดเจียงขาน บ่ป้อนนานสักกัก่อุนตรธานผาหายไปก็มีฮันแม น, นาสธาิมังธรรมะาเตสนังอาหาริรตวจาตะตังสมุธาเน็ตโตสานกคถาภาษี สัทธาอันวาสพปัญญูพระพุทธทเจ้าตอนเป็นปินเก่าที่โลกาก่อนนำธรรมะเทศนาดังนี้แล้วพระตนแก้วจินมามาจากจักนิทานจัดเ ก, ก่ามาเตรียมเขาปัจจุบันฮือได้หันเป็นป้อยจิงเกากาธาส้อยสุดปลาย วะตะตาฟรามบาโนปารโหิโตดังนี้เป็นตนพิกาเวดุราพิกุตั้งหลายอันเป็นสายอริจรยจยตเจือนักพาทารงยานอันบาปารโหหิตาจาย์ผู้ใหญ่บอกไข่สัจจังเต้าใจวังไขรได้ยังลาบใหญ่เงินคำ ได้ไข่กัมบอกเล่าแก่เต้าเจ้าปาราว่าอุบาทนานามตองในแห่งห้องเวียงใจย้อนลูกใส่ใจผู้ซอยเอาคนต่ำต้อยเป็นผัวืฮอเจ้าเดือหัวยศใหญ่ปองตดใส่ลายภาการเปืือหืฮ อ, อโป้ที่ยานบนกวางใดมวยมังมรารณา ตาตาในกาลนันไซคือหากมาใดเทว่าตะเทนอิตานิในกาละบดี้แลนา <c oughs> ตาตามหิต ท, ทิราชอิตานิสุปปุโะอันวาพญามหิต ท, ทิราชเจ้าภาสาจำปาในกาลนันไซคือหากมาใดพญาสุปปุถะ ในการบัดนี้และนะกหารปติอันว่ากาบอดีผู้เทาอันเป็นเจ้าแป้งคนคำวันนั้นคือหากมาได้พญาปิมพิสารในการบัดนี้และนะอันม่าเคยตั้งหกคนวันนั้นคือหากมาได้ ชับปักขีญาภิกขุอันเขาเป็นฝ่ายแห่งเทวาตัดในการบัณนี้และนาสักโกเทวาราชาอันว่าพญอินเจ้าฟ้าเฮวิสุ ก, กรรมตนองอาจม า, ราเรเนระมิตรภาษาเจียงคาน คือหลอโพธิญานดมเนาวคือป้นโศกเศร้าเครื่องกาในกาลนันไสคือหากมาได์มหาอนุรุทเทนในกาละบดี้แลนาสุราเซนาปฏิ อ, อันวาสุรเสนาบดีวันนั้นคือหากมาได์มหาอนันตเทนในกาละบดี้แลนา เจตธาภตาอันวะปีแห่งเจ้าผู้เก้าอันเป็นเสื้อเจ้าดงนาในกาลนันไซคือหากมาใดมหาหมวกกัลลานาเทนในกาลบัตนี้และนะอันวะปีทวนสองอันเกิดเป็นพระญาณากในกาลนันไซคือหากมาใดมหากัสจปัเธนในกาลบัตินีและนะ ปีุู่ธทวนสามเกิดเป็นผาญาหุ่งใหญ่ในกาลนันไัคือหากมาใดพระอัญญากุลดัญญะเถรในกาลบัตินีแลนะอันบวปีทวนสีอันเกิดเป็นเทวบุตรในกาลนันไัคือหากมาใดมหาสารีบุตรเถรในกาลบัตินีแลนะ กะาปาติอันวาปันทุลังกะฮาบอดีในกาละนันไซคือหากมาใดผาญาสริสุทธตันนพ่อแห่งตะทาตะตะในกาละบดี้เละนะวันนาป่าพาอันวานางวันนาป่าพาแม่แห่งเจ้าจันตังกุ ม, มารวันนั้นคือหากมาใด นางสรีมหามณาแม่แห่งพัทธากะตะในกาลบัตินีแลนาการาวันนะันว่นนาะงกาลาวันนาะแม่นาวันนั้นคือหากวันใดนางจินจามนานวิกาในกาลบัตินีแลนา วิมาลาอันว่านางวิมาลาราชธิดาสุดซอยวันนั้นคือหากมาไดนางยะโสทราแม่แห่งเจ้าราหุนเทนในกาลบัตนี้แหละนาเสสาปริสาอันว่าคนตั้งหลายเหลือเศษอยู่ตามเขตกองทำบ่กะตั้ากรรมบาปอันหึกหยาบนานา ในกาลนันท์ไคือหากมาใดบริษัท ต, ตั้งสี่คือภิกขุภิกขุนีอุปาสากะอุปาสิกาแห่งพระ ธ, ธารตะถในกาลบรัรหีเลยนะจันตะกุมารโออาหาเบวาโลกาณโทอันว่าจันตะกุมารตนผ่าเสดออกจากขาแปะเลิดคนคำ บอกเมื่อนำแต่เล่าได้เป็นเจ้าภาปาราในกาละนั่นใสคกอหากมาได้พัฒธากาตะตนเป็นตีจังตีปึงแก่โลกตั้งสามในกาละบดีแลยนะตุมเหภาวันตาตันตั้งลายมวลหมูอันมาพร้อมอยู่นำนาได้ฟังมาแต่เก้าทราบต่อเตาสุดปาย จุงจำไม่จื้อไว้เก้ก่อนไก้เอาได้บดบวดดาบาได้กวรใจจุงเมียดไว้กับตัวเอาเป็นขรัวเตียวไตเป็นไม่ไตนำตั้งสวะปงวางตั้งบาปรีบเข้าหาตั้งบุญจักเป็นกุญอันใหญ่ คือปนบนไม่ ม, มองผ่านบ่อปอนันจัดรอดเมียงแก่ยอดเอระปานบ่อยาจะละ น, น้าเนทิตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาหหองเหตุวันน่ะแปะคำผูกสิบห้ากอบังกุมสมริดเส็จแล้วเต่านี้ก่อนแลว